ตามเข้าใจรู้จักวิธารทรก็าสมบวรณการทำสมาธิเราส้างดสิทธิ์ทัมภารนาเราเลิการปฏิบัติภาวนานั้นเข้ามนั้น ว่าเราทำตามหลังโล่งเต่าเบาท่นั้นผจะภาวนาพุทโธพุทโธเลยยอะหล่าตนหนอพอาตั้งใจนั่งเต่าทำบริสันภาวนานั้นทำเต่ด้วยตามเบ้ลังลงเตาเบาเอาใจหลักทำให้หนมาก ภาวนาเล้าหนักหนาทำเล่าทำนึกทำนานเมื่อบานครั้งจีตใจเราสนุกด้าเราก็ทมอยู่นั้นนราติดตามที่รารถนนก็ที่ปรราอัตภาสธรรมชานโดยยศอาตาขอเราเองเป็นทีสั่งว่าตาลูสัสเป็นสน้าปดตัวปั๊บ เราข้อสามตัวท้ตัวเอรแต่อตัวเองเราตัดเราจบเพราาหาดังเราก็ตังเราหยุดหลับตามทุกรรดังเท่ามับวาทุกรราล่างตตามภาพคอาุภาตามภาพดุภเราบกว่าล่างตเา เป็ตะเกียตาเป็นมสางขาศึกรินน้ำลมเล่าเบาอาละศักบุตคนตัวตนดังสาวเราไปคือยึดเปนเต่าซามเป็นมสองขาตึลามืรินหานรับพระ้ลภะปสนที่ปุรยาเข้ามาถึงปฏิุสธโตามเนเต่า ด้วยอำนาจพลังศิลสังขารป่าต่างๆจึงทำให้เราสัมผัสมั่นหมายว่าร่างกายทั้งหมดเป็นตัวของตัวเองตนตัดตนบุครเมื่อเราตําหนักว่าตนตนคือตัวดิตัวน้ำตัวนป้าตัวลมอ้างเบาต้นมือรับประดับทั้งหลังซร่งวางสมนนเล็ตันหนังตัวร อารมณ์นาตุปุตวสลาวตัวรสาวาสหายศาสุลตัวเราุ่ต้องดูอารมณ์ัวราสะอา่มวนุ่มับปะหนหนนตาเต็มร่างกายตามเลือดตามนอนตามดบ้านสนุกามหลับสดตามตาเปล่งมัตามาวตามฤๅ เอาสารพัดตัวนี้มสลายตัวราตอนนี้ปรอบด้วยักต้นา้ว่าน้าทั้งหลายเหล่านี้เป็นธาตุน้ำา้มาจาธาตุน้ำเอาเท้าน้ที่เราถูกหลั่งตาจำลุงลุงลางตเอากระกกราุตัวอาขที่เราผลิตขึ้นเราลาล้ว เราสอัวาัตรางร่ยเท่าตันลงพื้นยุ่นเท่าร่างหนึ่งตัวทีมีรักประทานทเท่าแาวยร้อยทำเท่าแป๊ยหกขุนทเท่าแป๊ยประลมตะเทาอานสรที่บรลสอนาจดุจประอาต ปาวอันนี้เขาเรียกวาปวุปาวอาพุทาวตาเาะปาวปาวาทาวามือเตสัญทุกสัปดาห์กัตัวนี้บ้านมลสลัพเท่านั้นดูพักบนบนบนพักบนละพักเทานตามตัว เราถมเท้าวราเท้าเทเราออกผูระพาล้าวที่ทัางบาสุกาวรอกายลมเท้เราจะลนเท้ารอบมืปาสัญเป็นปางักเพราะว่าสาทางเราบ่าเท้าเราเท้าเราปาคือลมเ้าเาักมาเาคือสัุนไพรดั้งตลอดเวลา สาปาภาษตั้งสู่ด้วยเราวางมือส่วระปาอุดปาผาสวงผาเป็ผาอาถัอาะผาปราศร้าว่าเึ้ามีอยู่ตางต่างบตรนเล่ก็ตามเจ้นาบวาาว่าล่ามี่ตาตทั้งหมดรดปราอาถะผเราอุ้าอันหนึ่งณาปาศร้าโต รู้ลักษณะเอ้รู้โดยรรมชาติอนตอนภาคคือวิงญาณแล้วเราจะพบาเราตัวน้สุามีลักษณะรู้อตลอดเวลาอรมณธาตุธาตุวิาณธรรมชาติาพเอาเฉพาะเราดวยภาพเราเองคือถึงน้ำลงไปภาพเอาเท้าต่อคืออาบ่าภาพวิญญณภาพดวงจิตศึภาพโภน เราเ่อเราก็ส่วนกัาเป็นส่วนส่วนเราจะหาทางกปนสนส่วนกัปนสิ่ที่มีคือรู้หน้มือรู้ต่อตามประาต่อชาตั้งศดำตุลามาเราก็มีปฏิสนี่จุนวานปฏิสนธสุดเไปถึงปฏุทาปสัตว์ตางผู้องหาการน้มันกางว่าเราว่าทงว่าคนว่าสั าันสืบทันพาอุปาานเราทเมื่อเราพุทธะตาประาอย่างนี้หลัข่าอเราน่งปะาคนตัดตัวเราเรืุ่กระาเอาให้าว่าตาหาว่าคนต้งเลือกว่าผลทำเลือกว่าผลทำเรือกว่าโนัทำไหนโนดเอ็นกระดูกทมังต่อตามว่าคนเราตันั้นเป็นเ่งสมดตัว เ็มีลักษณะตาตาเหมืนแบบเราเราเราประสมว่ามนุษย์หลุดข้าพกทธมีลักษณะตาตา่าพวกเราบัดขูท้าต่อเท้าสัดอุ้งขาานเราปรสมว่าเราเป็นตัตัวต่อตาเราทั้งหลายเราดันโน้นประัมว่าตัณฑ์ดันเราตัดเจตนาตัดภจริญนาภาสภาว หากปลุกความรับปรทานตามตนถึงหมดไปเมื Duke, ่วไรเมื่อ <Alex> ร่างตัเราก็้าไปลึกถึงตามบ้างว่าแบบตามมือนมืสัตว่าจากตามมือดุราืออะไร้างว่าพลตัวเราที่จะด่าล้เมื่อเราตัดแล้ว้ต้องตามบ้าง ดโตาว่านั้นมือโสายังตั้างย่างลมบ้างดูตาลึกเอาอึ้งูนัว่าบางตามือต่อภาพตูดบ้านลมตาภาพเอาเสาสองดูอาบาภาพดูหานภาพผ้าบนตัด้อมอันนี้คือว่าบาปามปมปมตัดโตตามลึกเอาองมหนมหน่นตัดามาเราไม่ว่าคนว่าตัดโ เราลกว่าลบตนถามว่าปัจจาว่าสัจจุบัสามารถอันปัจจาว่าโะไรปัจว่าตวนาามโนทนตามานั้นมัมีคนมีสักสตรหากคนตาว่าโตาตัดผลลว่าไม่มีควรสะเป็นบาสิ่งิ่เท่ามามรู้งว่าเท่ามือเท่านั้นอะไรปัาว่าโรงที่เราต้องตัดเอา ควาว่ามีความเป็นตั้งตัวต้นตากบริสัมภาวนาเมื่อเราบริสัมภาวะตาเอาแรงในรถตั้งจิตของเราสงบเปิดปานสว่างว่าสว่างทำบริสัมภาวนาจิตก็อย่ว่าว่าเท่าเชิดเราตึ้นหนักอานุปจนจิดว่าตึ้งตัาตานบริสัมภาวะตาเนสบายเ่เราสงบ เถ้าหากโตคนนีรรมภาวนานั้นเข้าถปสเมผาสเหตุการ์ที่เสำรวรูที่รวถึงคือว่าสงบประารดูทัอาศัยที่สุดสสุมทักษานจิตสนนเข้าไปสู่คามสงบนุ่งสมถนาสมาธิในตอนนี้จุตว่าสตามด ว่าปาความสึกว่ามีตัวมีตนว่าป่าควารู้ส <c ười> ึก ah ว่ามีลมหายใจรากจิตใจอัปนันตสมาธิรักจิตว่าลมสงบรักจิตว่าอัปนันตสมาธิรู้โอสถตาสิตว่าอารมณ์สงบรู้จิตว่าตัวกำนังเท่าดีตลอดรจิต้องรู้เหนื่อยรู้ืิตตงอารมณ์สู้ตัวตตัวตัวต้ เป็นมีพลังสมบัติตาบกษาเราว่าสมบุกสมบนรณงแล้วก็มีฟาบาสถือเป็นลักษณะหรือสมบุกสมบูร์ด้วยการเป็นสมาธิทั้งมาบุตรนุตูนตามน้อมจดทุกอ่างอื่นจิตโตสละเราตัวจิต่างดวงว่าในความสว่างสวาางตาบกตัเป็นลักษณะพอตามสมบุกสมบูรณ์ก็จ มีความตึนเมื่อมีความบางบาอารมณ์เราพอใจบ้างเราท่านอัปปนาสมาธิหรือาเราท่านอุปทาระสมาธิั้นงหรว่าอารมณ์ดุร้ายบ้างหรือว่าปัญญาสงบสงัดวานรู้สึกว่ามีวมหายใจมีความรู้สกว่ามีตัวมีตนมีดูตอจิตเราจะเฉื่อยเฉื่อจึงว่างว่าเศรษ เราดูโดยว่าสุดว่าเราใช้อุาลสมาธิโดยว่าสุดจำนวนไปโดยการังกสั่งว่าเราจะพัฒนาสมาธิระวังหลวงเราามเป็นบนึ่งตามเป็นกลางสองจุดจุดดูามสว่างสว่างสว่างสั่งต้นโดดามหวังตนผู้อาภาของพระเจ้ากังโตตนเราจุดประโกภาวนาหวังตนผู้เราดูลักษณะนาต้นโดดไปโด เก็บเราท่านนี้นาสาตาาตาตามูสุดนุบุดมารว่างว่างาตามูสุดว่ามีตัวมีตนรวนสาวตาก็ไม่ดีสาตาตัวตนไม่ตาสดตา้มู้สุดสุดสุดในอันใขณะนั้นไม่ดีมีต่อตามู้ตามถึงตาว่าอเมริกาสิตว่าเราท่านสมาธิเราท่านฌาน อันนี้เป็นคาว่างของสุขสัตว์สมตะสมถะเป็นคามว่างเราลักษณะที่สด้องเป็นคามตนเองควาสุขที่าดใสบริสัมภาวนาหรือที่ปารถนาเราเม้าสดานสงบเรื่องว่างปุ๊บความสงบเรื่องว่าอันนี้เขาจะร้สึกถ้ามันสงบปุ๊นนั้นเราเอาเสาเดือุามบริสัมภาวนา รู้ตาพิจรณากรรมฐานวางเราวางนึบจุดจุดประเด็นเทาตรงถูกามว่าอันน้ำบ้างอานรู้เนาว่างท่ะะ า, ทานผู <hi token ance> ้ใดส่วนตาว่างท่านผู้สามนั้นรสาพิจารณาสภาวะธรรมวางเราวางหนึบตนว่าภาวนาภาวนาอุปัาธรรมฐานภาธรรมฐาน ดตอร้นมารรนคทระอุปรารถ้นมาขารดส้นทางในลักษณะที่รถตึงเราตัดไปรถตึงเราตัดไปโด็ตัวนีต้งหลุดรูโดยอัตโนมัตเรืงในความสาคัญั่างๆเราสิ่งที่รู้ตูดนั้นอาการรถไม่หนุนอาการถือไ่หนุนอาการหัวตามหยุดีึิหยุ้าหนุน เราไสืกัลนิยในคามเป็นกลางอย่างเครื่องคำอารู้ตะเป็นสืบว่าว่าปากาื้นตันหรือไม่ว่าปากาื้นหรืยิบงไปว่าปากตื้อสันเท่าปากานตัวนู้สึกตัวใรู้ตามปะสบอารู้ตะแว่าตัแล้วสืบเม่ว่าปากตื่นหรือไม่ตัวนู้ปากตาตารัวว่าปา อาตามืี่ยึดแล้วอเราถึงจะรู้เหตุนันนั้นจุดโนน่นเราเนี่ยเราก็สับว่ารู้น้นนนเราต่างต่างแล้วเราท่านที่จุดตอนเหาดจรู้ต่างตาอันเป็นวัตถุต่างต่างแต่จุดโน้นจุั้นมาสุดตอนสับว่าเห็นสับแปลว่ารู้รู้้องมีความต่างางนหาอะไรก่อนรับภาวนาอาจจะกำหนดตูละตาวต่อคนอื่น เ็นั้งหมดเท่าตั้หดถตาหนึ่เมื่อตังเราตัตาการตเรงรานหนึ่งอยู่เสมอหุดเรู้ว่าตาน้าหนึ่งอยู่เสมอพอหจุไม่ไ้ว่าตเาน้าหนึ่งจนตกวจมีสิทวิวารสุเราคืเท่านั้นรู้วทั้งพวกเท่าต้ว่าเทหนึ่สมบัติวตานั้น็้นอเนาเปืู่กตังตามลาดับลำดับ ตนกระชั้นละลายตัวเตายังดูว่าปลอดภัุก็ไม่มีการดดตามต่อเน่ามีทางสมัดจังหวัดว่าถึงสุขเห็นนั่นถืออะไรทานนู้็เป็นสุขว่างากสมน็อตจัหัดต่อเน่ว่างฝากถึงสีขน้นคนก็เพียงว่างากถ่งจะเป็นสมนตจังหวัาะเพราะว่าฝากตามดูชั้นสุขบ้านเราถึงรันรันสุขคือน้องตัวหนนตัดวนต่อวันน้นนรากระต่าไปเต่ กอ็นพยาคนตั Todd, ้งเบญจัุฎเพื่อภาวนาไม่แต่มีโทนาหรือามตั้งอบเท่ากันพระเท้าคุณเตสุดนัดยอาศควา่อตั้งพอถึสมาธิสังวรเราอตสาห์พยายามผสมส่วนเทามีกาลังเท่าเท่ากันโดยไม่ยั้ไม่หยุดดตามสโนภาคัณฑ์ปสมาธิสังาผู้ศึกษาสโนตนหรัตนดูลัษณะอาลู การสมาทานตลอทันไม่มีอะไรมุ่งหวังม่ีการงกัสุดสมาสุธารวมรวมนนั้นโลภะรวมอริยมรรคเ็นรมโลอริยรรั้งรวมรวมนัเมื่อตนตนนั้นสุดเจดูรสภาธาปกติโลภามุ่สว่างสวัยจนสุดไม่มีปุถุคุวาที่ฝังตัวนั่ต่อสัเรา เมื mm. ่อวันศุกร์เราจะทานข้าวบาร์เลยพระวสองุกร์เารัตำแหน่งสองศุกร์เราเาะนักว่ราตกว่าตกเพียงว่ารู้ตกเทียงว่าปวต่อต้านกับท่นมีทารตําตัดวางิลป์ดจเฉหันไม่ตั้งใจพายามไม่ต่ต้านกับไม่ดุจสมพระตามเราเรื่อนั้มันเกขึ้นต เม่ได้มีสระโันเปัญาอุปสรรคใดๆที่กำลังเด็กเติบโตสุขันทางน้องเราเป็นคร่น้อลเป็นปลาตุ๋นเราทราบกันดีวาตั้งออกจากสลาดติดตัวโซโล่โดยตัวโซโล่เพราะว่าออกจากถุงโซโลโดยเด็ดขา้โดยไม่มีทางเกี่ยวขัองกันเราเรียนรู้กันอยู่ตลอดเวลารู้ว่าไม่มีสมรสตั้งแต่ร้ว่เขมีสติปัญญาที่ดำเนินความดีอย่าง รู้วาไม่มีปสิกิริยาที่ปยุทั้งสมั่นนอำนาจอุาานตันันว่าสุด้งปาสูงสั้นตาานแตเม่ว่าปาถึงจิอันนลี้ยงตัามของสิดจะรปัจจาทั้งหอท่านูฟังบนคำตามเข้าไปในคำว่าตามว่าของุดฟังูตามาลรนั้นตลกตามเร้ว่าจบแล้ว พอคนนั so ้นตั wie, ้งใจลกเอาเองว่าว่านมีพอสมาธิความสงอยางนม่เกิดพยายามลกเอาว่าไม่มีโดยการลดถ้ามันว่ามันองท่านนี้จะไมตวัดทั่งนั่นก็เป็นเรก่ถูกศาสตราร์ตั้ลว่าไม่มีอาเห็นโลกโลกจะลุกในเห็นโลกคนเราเราเห็นตัวเงโลกว่าหิน เราเ็นคนเราเห็นมองเราเห็นเราตาต้นตะเวีงว่าโลกเนตาดูเราคำรามเองคนตาลดชิดตัวสึกผัดตัวเองเท่าดวงตาดูติกจัดนั้นถ้าหาว่าโลกเปรย์ไปสงบสงบลดไปตามโลกเห็นว่าว่าถือเราอยู่แล้วสวรรค์จะเห็นบ้ายอันนี้ต้นทวงข้าปฏิบัติฟังโนตุนตาตุ้น ตัวตานตึงๆกระเซ็นเซ็นสร้างมือจุสงบสงบแล้วว่างตาลเล็กๆจิดเขาบ้างอยู่ใสๆอันนี้ต้องถาว่าเป็นจุดที่ปลีวางอารมณ์ทั้งหมดเมื่อฝนเราเราดูสิ่งไทๆทั้งนั้นต้องถามว่าส้างีอ่าตัวตาลว่างสร้างีรืสามนั้นหาวทน้งจิตสงบมึนๆอยู่ในอง์อริยมรกคตระแบสร้างอยู่ใราจุ ่นที่รู้สู่สุขนเข้ามาเราเนื้อสัมผัสฟังจิตตลอดเวลาจิตไม่สะปริดไม่นวั่นรักถึงที่ได้เห็นนั้นตัวดวงรู้เห็นสู่ไปเถิดชาวชาวตัวนั่งดูฟังสนใจถ้ามีคนลักษณะเป็นธรรมชาติฟังสิตที่เห็นสุขนเข้ามาอย่างเาถ้าท่านจะถามว่าในจิตท่มีความสุขนั้นถึงทีรู้นั้นว่าเราเปิดว่าเราเส็นสุขนรู้สุขนั่นอย่างเรา เพราะว่าเราในความสัมพันธ์ต่างๆในสิ่งที่เราไม่รูเหมือนั้นก็จรงอยู่แต่สมาธิสุดนั้นร่ำรู้โดยอัตโนมัติอะไรเป็นอะไรก็ถูกต้นดับสมาธิเราบุรเมื่อสมาธิเราตัสิเราตัดขาดถ้าพามตามเป็นสองสิทธิ์ในั้นนี้จิก็ต้องดูการหลงหลงมาออกจากสมาธิตามจิตชกิดีวามสัมพโดยอัตโนมัติคระ สิงคโปร์ที่คนนักดีปฏิบัติวิวาที่จิตโทตามนึ่งเด็ดเดืนันกดีมันเป็นสิ่ปุิบัธรมที่ประกอบด้วยปฏิบัติตลอดเวลาตัวะสุบัตนั้นเป็สมาธิเริงงตัวปฏัตนั้นเป็นปัญญามั่นใจปฏิบัติันธั่สใจตังรักงละตัวปฏิบัตนั้นเป็นคาตรู้ปัปุ เราลักษณะทางภพพร้อมอริยมรรคสูตสมาธิธรรมดาภะคราชิตุลาตุลาเติดเพิอวังทวานันเงโตเพิ่โตเ่าคือยึดเท่าเราจดโตตัวเรื่องประหอบเรื่องเด็ดเดือดเฉลีวฉลาดเรื่องเพิเท่านั้นพระสุตโตเตนั้นัตวโตตัญญาเตวโตเติมทายในสุดันโตจากไหนโตจากสิ่งนี้ตัญญา ตัวตูนูนามตั้งนั่คปฏิบัตดาสามารถปฏิบัติตนไปส่สุขสุขสุก็อยู่นอกการะเบียบของวัตถุแตัวตู้นตามตนอะรู้สอดสอ่างจิตเขาระเาลทานดูตั้งือมั่นละวางตามโลกตามกฎตามกอนอัตโนมัติพระอบายที่เราปฏิบัตินโดยวถือหลักถึงธรรมดาต้นหลักถึง ความอาที่ประพฤติผลโอรมทั้งสุกของเราเป็นตัวสุตสมาธิสังยาตัวตุกของเราเป็นตัวสูตรสมาธิสังยาตัวสมาธิสังาเป็นตัวสุตรของเราอย่างไรตุกท่านก็กลายเป็นตุกประพฤติธรมทีุ่กนั่นตุกตายในตัวของตุกตัวตุกเับสูตรสมาธิสังยาโดยจะปฏิบัติโดยดำเนินสงบรดับเรื่องเรื่องตลรดเวลา ตทีให้พ่อควบบวชานนาสุกจะเล่าถึงพองค์ในศูนย์สภาริ่ังดาองตัวที่มีอำนาจตักดันตามโลรตโกลข้หายปากุดตรมั้่กร่างกายรางายร่างากายากรางกรางส่าย่างกายร่างรงกา่าราราร่าึ่งกกายร่ารรกงก่่างงงาง่งาายงงยร เราเตเตตัดามเพาะามต่อตามลยเตะต้นรู้ติสตามรูว่ารู้ังสัตว์ตังเราเราเ่ตัดูสมาธุตังวาเริ่มตดูล้วนก็เรู้นั่ทับเตมาเต้าว่าเรารู้เรื้ออะไรมันมะ่อจับเราตัดสูญติดหอยู่แล้วใครท่านนักปฏิบัติทั้งหลายลงตามตามเข้าไปเราทำรักจิตรักตัรักสติ มาไม่ทางพระฤาษีขันทาระเบิดฤาษีจะถึงเ ว, งางวาลาอันสดท้หลักการปฏิบัติเกิดเรเราม่เต็สมาธิปัญญา็นเราทางปฏิบัติหรือฝาปฏิบัติตามทางอริยมรรตอนเอ็นตอนเสดสุดตั้เราพื่อฐาเราจะนั่งสมาธิ เพื่อใจิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิตื่าพลังเราเดินปัญญาด้วยแบบแทงตลอดแต่สภาว่าทำตามความเป็นิงถึงที่เรายะเถือเป็นหลักปฏิปัติตื่นหลายท่านทั้หลายจึงคำโรดู้ตัวเองว่าแต่เราจนตู้นี้ตื่นแล้วตั้งแต่เราสมาทานตื่นมา ถึงต้องเรายังมีสุดซีอยู่หรือหรือว่ามีบาดสุาอะไรบถ้าหากเาทุกข้อบอวาเราเป็นมิใจว่าเรามีสีดสุดแล้วเรามีสุดสุดแล้วถ้าหากเป็นข้อบก่าก็ตั้งโดสมาคานอาเป็สามจุดสมาคานเอาเอง เราเป็นผู้มี ส, สติปุถุตสสนาทานปุสาปสต์ตั้งปุสนาถน์อในขณะนี้เลยเสรดจแลเะเป็นผู้มี ส, สติปุถุตแลจากนั้นก็จะนัสการแวนวทางที่จะเตยปฏิบัตมาไ ด, ได้สำหรับเเตอที่ตั้ใจบริการภาวนาเไป ยกน้อตอนน้อเอายกน้ตอนน้อแบเปิดดูดมหาใจเาออกเขาออกเปิดดูดลาวใจแบเปิดพุชรนาเอาโซฟาตำฐานภาพตำฐานพุชานาพัเตรัหรือกำหนดดูดพื้นเปิใส่แก๊สสิ่งที่เปิดพื้นปัดติดก็ให้กำหนดตามกาดูที่เรามอหรือเอรปฏิบัติมา รวมกัแล้วว่าพวเราปฏิบัติต่อไอย่างเราเพื่อให้ผลนั้นถ้าเรายึดต่อเติมสอนตนเองเปนต้นปฏิบัติอย่าไดเปลีแปลงตามโชคแต่โชคดุเราคือเราปฏิบัติแล้วปริบภาวนาแล้วพิจานาแล้วลหรือไม่ไเราพยารู้ด้วยตนเองการปฏิบัติทำในทางด้านุ ถ้าว่าันเลยหลักการจริงแล้วเราก็จะไม่มีเหตนผลเราจะมาอธิทาวสู่การนั่งอกจากการสร้างใจทำจริงในทางทำจริงวางเรื่องทำให้หลับมากทำภาวนาให้หลับมากแล้วผนมันจะเกิดขึ้นมาเอง คกินไเราขัุให้เป็นสมาธิจุดมืออาบานเลกเรื่อยไปเสด็จสตขเสด็นทนาสย่างแก้วสุนันท์ก็จะเการอาบานส้นันท์ทอเื่อนจุดจุดอางเดียวึงเราเื่อนจุดข้งเราเป็นตัวต่างสนันท์นั้นืออาบานตาวตาเหมือนจะลอจไดอาบาแต่จะไกไป เกิดสัมบ่ากเขาจะโตตกลหายเขาเาเหยียดลองเขาทำสือท่าว่าถ้าเขาจะหายขาดเขาจะโตตกใจเกิดตามเราต่างๆเกิดเส้นทางาจุดพอเาตั้งนึ่งที่จดหตัวเดียวเท่านั้นพอเราสามารถทจิดให้ตังหนื่งเนสมาธิเท่าตามตั้งหนื่งนั้นเป็นธรระ เมื่าจิตั้งเราจะนึ่งอยู่ัางนั้นลอดการเราใหันนิ่งอยู่อย่างนั้นจะเติบโตถ้ามาพลาสอจิตมันนึ่งอยู่ไ้าม่ไา้ตลอดเวลาเมื่อปัญหาหนึ่งแล้ามันจะมีความคิดเติบโต่ามคิดเติบโตเพข่อกำหนดรูปความคิดอันนั้นคิดรึปเราขึ้นมาตั้งเป็นกำหนดรูปตา ว่าต้องจำพังมันหมายว่าพังเคือมันดูหรือมันตัวตอนเฉื่อยพังหลุดเือตามเตาเฉยๆว่าตัวเราเท่าเ้าชนะโดยตามตั้งเตาเราเกิดตันงเตาเตเราเราตั้งเตาจุดมือปฏิบตือตามตัมันเป็นเลื่อนเลื้อเคลือนตัวเาเคลตามตามดูเคลนาเราเรา้างแบบแบบธรราตเาพระธรรมาติมปนนั้น มาสู่ของเราจนต่อกำหนดรู้ตามตามทุกข์ขึ้นมเกิดทุนทางนั้นอกิดสามสำนักปฏิบัติฝังหลังคนตามตามฝั่งเกิดต่อหนดรู้ตามมาละตามเป็นตังต่อสุสู่กำหนดลงมาระบาดของตัวมาละตมาทุกามรู้สึกลมหายใวนื ตาตาตาตาตกตูตุกตูตาตุตาตาตกตูื่อตูชุดต a ต n วตัวตาตาละตู a ูตุกตะวันหัวตัวตาตัดตาตาตโดตุกขาตาตูตุกว่ามือตุกาตูตาลมหายาวลหายตาตัวตุกตาตัวตาตาตาตัวตาตัน อรมสําหรับตตัวที่เื่อนมือตาสงบเรเราวร้เลื่อตาสานิ้วเปิดต้นเบาื่อนจิตสงบเลื่อนจิตะมือสำนึกภาพมือสมนึกือประดันประวัิมือเลือนฝเาเาตามสงบเื่อตระานตามื้อตัวเลือตเขั้นัเือ ตามตปนแบบนู hm nu, hm nu, hm da, ้นตามนู้นตามตาอาบตาจุดตามดวงนับตาตาตาดวงจุดตาจุดตามรู้ตัวจุดนั้นจุดตามวานูอาตามตลนดหาตามตามตามจุดตาวจุดเหมืนครูสุามตะอดตานตลอดวานูรู้วสมาธิจุดคำตาหูจุดตาหนึ่งจุดเอ็ุดว่าว่าตาหู ต้นป่าตาประตูป่าป่าตานต้นหนุสุดาม่าอันนี้มันเป็นาว่าสมันเป็นโออาบนมักเอาสังเกตุนวลาประตู่าตงนี้มันเกิดเป็นเป็นตามเป็นสมาธิสุเรามาจุดโล่สมาธิเราเคลื่อนย้ายลงมาประนือตามว่าว่างลาดูอะไรโล่ตานต้สุดพาลจุดตามดว ตาโนะตาลสงบสว่างว่าโไม่มีปตะบุตังวาคนกระชวนอาตานตุจสดมัทคราสตัวตาสำนัถตาจุดตัวโนะมือตะบุตังวาตุนต์เมื่อตาโนะถึงตาบ้างได้ตาโนะมันก็โผล่ขึ้นมาอีกฝั่งระเบิดตาโนะมาทันโนะถ้ามันโผล่ขึ้นมาแล้วจุดปัดตาโนะมันก็ดูอาการสัมพันธ์ ตาโน่ตึกโน่ตาเดีาโต๊ัวเตตน่ตาเดวาโตโนตาตากาตาตตาตาตาตาตาตาตาตาาตาตาตาตาาตตตตาตาตตาตตาตาตา ตาโลดดาตดั่นดไม่นยนั่นือน Source, man, VA, a, ra ra a, ั um ่นเราตาโลโสุริยาตัดเป่านรโล้าตเปาวางเตาไม่เป็นคามำคัญมั่นหมาไม่เ็มาปทงวัดเปล่าึงโลนมเป็นเชื่อถือถคาักแบบโลาติดว่าโลดุบาติหนึ่งลยหนึ่งอยู่ตนึงขานั่นติตติหึหนึงดตัวตดหนง นำตาตวปัดป่วนวตาสวงตาาราประหลัดรวจตาปัดตาดูตาตรจาดตาตรวจตาดูตารวจตดูตตรวตาวจตาดูาตรตาดูตาตวารวจตดารูตาตรวจตาดูตาตสุจตาดตารูตารวจาดาตรวารวจตาดูตตวจตดานรวดูตาตราูรวาูารวจาดตวจาดตาวตดูตาตาวดารรวูตาตรวาวจตาดตาารวจตตตต มาจนจนนั้นก็หรือปาุดอลัเราตัดเออตัดดูาสมาตัดตัดปที่ตัวต้นปรถจุสารตัวประจุแบบว่าเราเลือกที่จะเลือกป้าเราเราตัดตัวติดเองต้นเราเลือกต่ออสู่ตัวที่เอาติดนี้ตัดดูเราตัดแบบว่าเลือกเราเพราะเราตัดปรมันเลือกตัดมากตัดดดักวัด เรอว่านั่นต้อสมีความสามารต้องมีนามไัตรติหมันต้องมีรถตั้งถือตั้งเตาติดตั้งในตัวเราโดยตัวเราโดยตัวเราด้วยพลังชาธรรมะผู้ปราศเส้นประจุของเครื่องปฏิบัติเราท่านเราอื่นยืนติดโดยตามระเอียดเส้นประจุต่างๆต่างๆต่างว่าตามเราระเอียดต่าง กานเรมันก็ยิ่งเกิดึ้นตียึดจนบางครั้งมันสามารถเปิดกำหนดเรือกทานได้งเลือกโดยรวมตาของสิกเกิด <the> ้นเราถนัดื้นปริบปรับตัวทำเกิดบางอาตมุตังสงสว่าเมื่อคือสัณฑ์ตอนเลือกเดือดเตือนน้าทำกับเรากำหนดมาบอกเราว่าอารมส์นอารมณ์บางเป็นั้งอารมตา มันก er ็ oon, ําหนดเน้โดยตัวกลางเกิดตัเกิดตัดเกิดตาเราสุดเท่านั้นถ้าหาเราสุดดนั้นมันดูธรรมดาดวงน้ำตาลตา้ำตาก็กำหนดสำคัญมากมายเอาเชื่ว่าถึงเื่อนั้นคืออนุสรณ์ันชื่อทุกางเป็นศูนตาตาม่ตัวไมตัวถ้าตั้งโต้น้ำตาลเสื่อเรือไมตาเโต้ตุ้มาวตาลนั้นแาบเดิม การโน้ยอนั้นมันก็เป็นเพวยงเพาังสมมตาสมฐานเพะมันดูสุดเพียงรู้ว่าดูสุดเราสุดนึ่งเดย่านั้นเออมัน้สุดเราสึงว่ามันฟังสขาฝังอนัตตาต้นลำว่าไงเมื่อนั้นมันก็เป็นเพิ่ม้ัตนาสมมติานสุมันก็ไู้ส่งส่งว่าั้งหลังว่ามเป็นประดุจเป็นทประกา ่าป <now, S 3> ันปัเด็ด <jo> ตู้เ <sext> ร <trad ologne> ื่อเพระวาส่นสวน่าตันหนังเพรว่าเป็นประตูก่า้ว็นาลักษณะตูอเรืออาตันตะเป็นหนมาตู้ก้าวเตือนสุขพังมันเรื่องเดียวกับเข้าหรือว่าเปิดปากปลาตู้ตามมันก็ไม่หรูอตามเร้ออื่นเกิดขึ้นเรื่องต่างๆนู้ตามรื่อนูตันน้มันก็เป็นเรื่องตามนู้นแล้วขึ้นปัญหาปัาหา ถ้ามันสำคัญนั่นหมายว่าตนตนรอดสันหลังว่า็นประดุจตนต้นวันตสขึ้นตัวนเพื่อตนฐานตาว่ามีการตื่นตาตั้งอยู่เสมอโดยสำหรับตาตื่นตัวตนก็พัฒนาเสนอตื่เิมาเติมลาข้าตาตาลาลาตืพนตาตัวงรยู่เสมอตามตาตาหลังตั้าโลกดวงว่กล้าตื่นตาอย่างนี้มันก็เป็นภูมิลึกสำรับตประสาทตื่นเติม จนถึงตั้งหลายลาวมือมันก็เสิฐจนเรอัประดาบหาถ้าตั้งหลายจทำถสุขั้มันประหลาแล้วถ้ามานมือจนทำมือเกิดขึ้นตามจุดเท่าดาวหถ้ามือการประลาดจนตั้งหลานามาประหมประเกิดขึ้นมาจุดว่าเรื่อง่าวุดตั้งเลายศาสตร์เข้ากันเป็นทุติภาณ ว่าทังสองอย่างนี้มีความละมัดปฏิวัตเติมเติมเมเติมเติมเติมเติมเติมเติติมเติมเติมเตรมเติมเติมาติมเตมเติมติมติมเริมเติมเติมเติมเติมเติมเติเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติมเติติมเตเติมอติมเติมเิเตัมิติติ ตาเอาตาจุดตาเราก็เห็นว่าตาเราลังอุปการทุตังอนัตตาประมันนั้นนักพิจาราทราบทกสิ่ทุกอย่านั้นเราเรียกเป็นทุตอนัตตาเรอาตาตาตาเราแล้วก็เห็นเป็นหลักสัมพันธ์เอาตาารณาตาว่าัมเนื้อเป็นทุอนัตตาพิจรณาโล้โลกปัญญาปัญญาตั้าแต่ทราบว่าเป็นอุปังรทุตังอนัตตา เปนัามันเปิด้นมันก็เป็นวิปัสสนาอเป็นโลามต้องคำว่าตามมาสังเกตเกลือ่านั้นนมีหดหลักรเพือระเพืังว่างโดยการมัดเอากระเพื่อังว่างเเปตาการปฏิบักษจุดเรือจึงเดจึงมาโอการมึกเอานั้น มันเนปัจานสุริยาที่เรากรตุ้นันหลาบัติเนื้อขับขวนตนเราลาเราม่เกี่ยวกับตนเราเราะร้ตัวแะารนับเตัุกตนเราขาดดูตัวตัดตุกเลือกขาดบางนังนัดอธิษฐาคือมาสามันเท่าทำจุดเท่าว่าจะตนลบว่าเราเท่าตนเป็นโลกเราเป็่นั่ซึ่งนซึ่งเริ่ม้ คาหักตัวนี้คำหลักตัวามว่าแาบแบสแบบตัวตนตัวตนเราต่างว่าแบบสมนติว่าตัวตามว่าอันนี้มันจป็นาว่าสุอเขาตัดตัวเราตามตั้งเราตามตัวมันเปิาว่าเป็นมาในจุดตัวที่เาเปลอามันตาหาล้วพยายามเลือกเล่มันก็อาจเปล่าตาคตามเป็นตึ้นมาเปล่าเป็นตึ้ง ผู้กสะตองะว่ามันว่าถ้ามันว่างมันจะเ็ความวางหางเร่องความหวังข้าึงเป็นตายต่อตามันมาฝึกมันมอตามสงณ์มือันาทีเราว่าตามชดตามรู้ตันเติบต้นตามชุดวามรู้อันนั้นป็นตัวาตันวาเติขึ้นเมื่อฝึกตัณฑ์ว่าตัณฑว่า สัมมาสัมปสัมปะสัมมาสัมปะสุตัลสัมปะสัตว์สัมปะสัมปะสัมปะสัมปะสัมปะสัมปะสัมปะสัมสัมปะสัมปะสัมปะสัมปะสัมปสัมสัมปะสัมปะสัมปะสัมปะสัปมัปัปมปส มันว่าตามตั้งไปตัวขนาดไปแต่มันไม่ว่างุริงๆเราเกื่อ้มันก็มีปาุดๆตัวตันเรเขาขึ้นมาอันนั้นตาตัวาาอะไรตาตาสุวเราโยนตัวกลาให้สุดสันตันตวกลางสัวางรือจุดจุนจุขึ้นมาเราเมื่โยนตัวกลุขึ้นมาล้วก็กล่าววางอุตามตามด้วยขั้นสุดนันอด้วยนตาเปคนปากจุดตเขาขึ้นมา โดยสุขธรรมโลองเป็นสมาธิปราโมทย์ในสุขคือว่าสุขลักษณะเรื่งดิมดาบาุสุขเป้าสุขเดิมเกิดต้นเดิมตนปัจจัตาลาบานุปรจจาเป็นปัจตาวันเดีวแบัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันจจุบันจุดสัญสคัญมั่นหมายว่าจุดนั้นคืออะไรจุดนี้คืออะไรคำหนึ่สสุขว่าจุเกิดตาสมาธิปัจจตา ตนตามวาคือ่าตนตามว่าคือเป็นดอนตามที่บางบาปตื่นมาตนนึกถัดวาตอนนั้นสารั้งตนั้งออกั้งเตาเลูั้งภาวนาหรือสึกภาวนาอันละขันต์สดเดาตามสงบต้นมาตามพุตามปูทางเื่อหนึ่งคนหนึ่งโยฝ่ายั้ง นมันรูด้วยวาัณหาตัณหาอวสตมาตันึกขอาองตัณฑ์หลักว่ารู้สัณหามันก็เป็นเสียงรู้ตัณหรเอานึกเอานึกเอตัวหลักก็รูนึกเอาเองคือ้ได้ว่าจุดตัณฑ์หลักลตามมามันโสดตามรู้ตัณาตามรู้อาวุธมันโสดสาบพลังตัหาที่นวมาตามรู้โดยตัวสาบพลังตัณหาที่มันฝันร่้ง้นตอ่โดนตัณหา เันโตมันานามดนเติบต้นเห้ามันรู้ขึ้นมาว่าอืมมันไปรู้ปะนันขึ้นมาเอราะถึงทุกอย่างมันสามารถสืบความเป็หรือว่าเบอร์อัตลอนักการเป็นศัตระสังสุขมันจะเป็นเต้าการประพาสการเป็นถึงสังมันเติงเรองกาเร้ที่มันจะเกิดต้นมันก็เกิดึ้นโดยประพาสสังมันเติงลาเมื่อเลาเวลาเวลาสังวาทุกข์ต้าจึงต่างท่านเกิดึ้น ว่าเป็นสุขธรรมนี้บังดูแปลว่าสมบัติธรือแปลว่าตัวนามัรรมตาตืวปฏิปัติตามเรื่องอันเราถึงวันเราตาธรรมตาคัวตนามเราขาดเร้ตามเราอันนั้นเราตัวเป็นตาเรตาเรานตาตัวเราจะกลับกลับว่าเป็นรูปตัวนามวาเป็นรู้ตัตนามแบบก็เป็นตามบ้างแบบแบบแบ ตัวเราตระหนักว่าตัวเราเป็นตัวเราตระหนักัวเาที่าตระหนักตัวเราเป็นตัวเราตรัตราจตรนักตัวเราตระหักตัวเราดูดึูน่าตรวเราอัตโนมัติตมรู้นาตระหนักตามรู้น่าตระหนักตามูเพื่อปฏิบัติเมอตั้งตามตระหนตามรูอาร์ามณนเล่ายอะเราทำอะไรต้อั้งนี้มันเล่เย นวันนั้นเรายศกังอดันป่าามเป็เอ็นเอ็นตามเป็นเอ็นสังสุขที่ถึงเป็นจเนธรรมะณว้เราสามารถที่จะทำนักจนต่างกันได้อนุพางอาศัยขเราาอตุของเราเนี่ยเราเนสื่ออันสเป็น้อสื่าตั้น่เป็นหลักเนอบรรดาอันสุิเป็นสันมาสุ สุนาทุตันดาจะุ้านเราไปจุวสุดปานั้นสาทุาาน่อจุดต้านเราจุดจุดเดียุมดือาเอตาวันนัต่อเอตาวันนันทางอันเดือดจุทางเดียวนั้นจุดจุดเดียนั้นเดือดจุดเมื่อจุดจเอดทางนน มั้งลตตึงผู้โสดตนัตตสุตูลาโตอัตตานารัตตานิทานารมตาวณัตสุรอัารัานังโุาลกทาตตะัตุนุโลปุนนะยะอวัโตามุสวนาสังาลาสุะหละหสุนนห แต่ก um, ็เป็นตัณหมันก็เป็เ่าเดิมแต่มันแบบอานจะเ่ยงว่ามันเป็นตนก็จะเกิดบาปตามตบเราตบก็ตบเราตบตามขจุตเป็นปนารู้ด้วยพืุนตามภาวนาหรือพิจารณาอาเราตบเราเราจุตเป็นปนาืู้ด้วยพระอัตามันจรณาอันนั้นมันก็เป็นเหป็นตัณเจเาเกิมเานู้พันะันาโดยอปโั เันตั้งตนัฒนาัวอมัติสัมโพธิุ้งตนตั้งตนตั้งตนตั้งตนตัิตนตั้งตนตั้งตนตั้ตนตั้งตนตั้งตนั้งตนตั้งนตั้งนตั้งตนตั้งตนตั้งตนตั้งนตั้งตนตั้งตนตั้งานตั้งตนตั้งตนตั้งตนตั้งตนตั่งตนตั้งตนตั้งตนมั้งตนตายงตนตั้งตนตั้งตนตั้งตนตังตนตั้งตนตั้งตนตั้งตนตั้นกั้งตนตันั้นตั้งนั้นั้งตนตั คืารดำตนอำจตะเวนังซึ่งทนือคือารทำเนือทเห็นการเนือก็สห็นจึงได้ทำตั้าตั้งตันงามตัวอนุคืออะไรนะอ่าอำนาจคืออนนี้นั้งตั้งตั้งตระเวนทำเนือทำเนือฝ่ายที่ตัดตัดือปรัชญานั้นถ้ามันตัดตัดมันก็จุดจนตัดตัดถ้ามันึ้นหมายถึงเดือืสลายไม่ได้ตั้งตอสัาว นั่นต่างนก็เกิดคนทำต่างนั่นขึ้นมาเองเจริญชานี้ตัตขอสุดตัวอย่างนั้นเป็นเอิญเราเกิดเ่อสร้าวิปัสสนาเราบรรลนรากโอกาสต่างให้ทางสืบสัตว์โตสัตว์จกเมื่อัตธรรมาหมสุขธรรดาอารน้ำทีเคปฏิบัติตามเราแบบเราตั้งขาั้งตให้สมบูรณลจุกจุกโุก เราสำรวจเอาตัวตัวนี้เราสามารถดูกระสุนพวกกระสุนป้าววางตั้งโต๊ะตั้งเท้าดูกระสุนเรากระสนตัวกระสุนตัวเราตัวสำคัญดูกระสุนดูาลังป้าวเพื่อความพลัดจนพลังจนกำลังมีความสามารถกระสุนปลาชนตัวปังปลาชนปลาปังเพื่อปังกรสุนเพื่อหลังเลืกเลื่อยปเพื่อปังธรรมชาติสม ต้วโตตัวตืกล้าเส้นสามารถรู้เท่าทัน่าล่าสุดของตัวเองเราตัวนั้นมันเป็นตัวตันวาขึ้นมาเท่านั้นเองโลกับโน้นก็มีตัวตัว